อยากจะฟังอะไรบ้างไหมครับหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรอยากจะให้พูดซ้ำวันนี้ยังพอมีเวลาคือเรื่องหลักๆตอนนี้เราพูดไปสาระทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกเก็ดเก็ิอยากจะฟังอะไรหรือเรื่องแปลกๆพิสดารหรือเรื่องในแบบอะไรน่าสนใจแล้วก็ลองดูเชิญ ในปฏิจจสมุปบาทโลภะโทสะโมหะอยู่ที่ไหนคือเมื่อไหร่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันก็จะไปเป็นกำลังตั้งแต่อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยก็คือมีโลภะสภาพของวิชาคืออะโลภะอโทสะอโมหะแสดงว่าสภาพของสภาพของวิชาคืออะโลภะอะโทสะอา โ, าโมหะที่มันเป็นอวิชชาก็คือมีสามตัวนี้นะครับมันอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่เลยเสร็จแล้วมันก็ส่งความไม่รู้เนี่ยจนมาทำให้เกิดมาเป็นเวทนาคือออกมาเป็นพฤติจิตคืออาการแล้วมันเริ่มหนักๆคือตันหานี่แหละพอออกมาเป็นอาการที่เวทนาปุ๊บส่งผลอีงทีก็เป็นปัจจัยให้เกิดตันหานตันหานจึงเป็นผู้สร้างภพโลภก็ทาให้เกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับ โทสะก็ผลักออกไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเจอหน้าคนนี้ก็ผลักออกนี่ก็เป็นโทสะส่วนโมหะความหลงก็เพราะหลงถึงทําพวกนี้หลงนี่แสบสุดเลยเพราะหลงนะ่ะถึงโดนหมดทั้งโลภโทสะเนี่ยโดนหมดนะครับก็ถ้าถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่อวิชชาเลยนะครับแต่แสดงผลเป็นตันหาแสดงผลเป็นตันหาแล้วก็ยาวออกไปเลย วงจรก็หมุนเลยนะครับหมุนเลยครับตะโกนเลยก็ได้เดี๋ยวคือผมตามไม่ทันว่าทำไมมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงอ๋อ ก็เป็นอุบายนั่นแหละนะเพราะว่าการล้างส้วมมันก็เราล้างไม่ได้เพราะมันติดตัวตนของเราเรายอมล้างส้วมให้คนอื่นไม่ได้หรือว่าส้วมที่สกรปรกเราล้างไม่ได้แต่เมื่อไหร่เรา <c oughs> ทนแล้วบลงไปทีนึงเนี่ยคือตัวตนมันจะแตกออกมันจะสามารถทะลุตัวตนออกไปได้แต่ไม่ไม่จําเป็นต้องใช้อุบายเดียวนี่ไปล้างรถที่บ้านก็ได้ หรือล้างอะไรหรือขอโทษใครที่เราไม่คิดจะขอโทษอย่างเงี้ยชาตินี้ไม่เคยคิดจะขอโทษอีกคนเนี้ยแต่ลองดูว่ามันมันติดค้างในใจมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ผิดมันก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ค้างอยู่ในใจอ่ะไม่ให้อภัยอ่ะแต่เขาว่าแล้วก็พูดคำว่า มันจะพูดโอ๊ยวันหลังเหนื่อแต่ถ้าวันไหนมันพุ่ออกไปได้เนี่ยมันจะเหมือนกับโล่งเลยคือตัวตนมันจะระเบิดออกก็ทำลองเดียวกันนี่แหละถ้าล้างซ่วมได้ก็ล้างใจได้อะไรอย่างเงี้ยขอโทษใครได้ที่มันเป็นยาวนานอย่างเงี้ยมันจะโล่งไปเลยพูดคำเดียวแค่นั้นเองลองดูนะครับพวกนี้ก็เป็นอุบายที่ดี การขอโทษหรือการใครที่แบบอาจจะเป็นคนแข็งๆนิดนึงกับพ่อแม่ตัดสินใจก้มลงกราบเท้าท่านในวันเกิดอย่างเงี้ยมันก็ทำลายตัวตนแล้วมันจะก้มลงไปเอาหน้าผากไปจดเท้าท่านเนี่ยอาจจะเห็นน้ำตาที่ไหลาพลากมาเลยก็ได้ของเรานั่นแหะตัวตนมันแตกออกก็เป็นวิธีทำลายตัวตนแบบตรงไปตรงมาเลย พอทำได้เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นๆก็ง่ายเพราะมันทำได้เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นๆจะง่ายแล้วเจนครับถามเรื่องอะไรก็ได้จะไปญี่ปุ่นไหม <c oughs> ไปดิไปด้วยกัน <c oughs> ใครอยากจะไปลองฟังธรรมตอนตอนนั้นไปเมืองจีนก็ไปลองฟังธรรมกันในสตาร์บัคก็มีนะครับคือมันไม่มีที่ฟังก็ไปเปิดสตาร์บัคแล้วก็นั่งคุยธรรมะแล้วก็ไปดูแบบสุปกิจเขาก็พาไปถ่ายรูป Walking Street นะโอ้สวยงามเลยเชียงเชียงไฮนะก็ไปถ่ายรูปกันสุปกิจไปกันเป็นสิบเลยเขาก็จัดสไตล์เขาต้องอย่างนี้จัดพี่พี่ยินตรงนี้นะตรงนี้นะี่เหมือนไหมเหมือนไหม น, น, นะแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวพี่นิดหนึงบอกไม่ต้องมากหรอกเอาแค่นี้แหละไม่ได้พี่ตรองนี้ตรงไหนก็เหมือนกันนรกอะ่ะเนี่ยเขาถ่ายไปเขาก็นึกว่าผมพูดเล่นพอถ่ายเสร็จก็เดินคุยกันออกมาเขาก็ถามว่าพี่หมายความว่าไงอะ่ะนรกอะผมว่ามันสวยออกกิจเอาเปลือกของคนออกให้หมด ใจของทุกคนที่กาลังเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยราคะแล้วก็ตัณหาอยากจะได้ของที่เราเรียกว่าสวยนะ่ะทุกคนตอนนี้มองไปเนี่ยมีแต่เปรตผมไม่เกี่ยวนะพี่ผมไม่เกี่ยวนะพี่มมพแล้วเปรตอยู่ที่ไหนอะถ้าไม่ใช่อยู่ในนรกมีแต่เปรตเดินเต็มไปหมดเลย ผมไม่เคยเห็นเลยนะผมนะแล้วใครจะรู้เนี่ยนะเสร็จแล้วเขาก็จัดโปรแกรมทัวร์นะอย่างดีเลยพาขึ้นเสี่ยงไห้ทาวเวอร์คิวก็ยาวแต่เอาหลวงพ่อหลวงพ่อเอี้ยนไปด้วยนะพยายามจะพาท่านขึ้นที่ท่านก็ไม่ขึ้นก็พยายามพาท่านขึ้นขึ้นไปเป็นไงล่ะหลวงพ่อสูงไหมล่ะท่านก็บอกว่านกบินสูงกว่า แล้วก็ลงเลยหลวงพ่อไม่สนใจเลยคนอื่นถ่ายรูปวันใหญ่เลยหลวงพ่อบอกนกบินสูงกว่าแล้วลงเลยจะทําอะไรท่านถามว่ามนุษย์มันทําอะไรได้ละชานมันยังบินได้เลยมนุษย์สร้างแทบตายหมดไปทั้งเยอะเสี่ยงให้เขาบอกโอ้โ oh, หเป็นเมืองสวรรค์เลยสุดยอดเดียวก็พาหลวงพ่อไปนั่งแล้วก็พวกเราก็ไปทานข้าว หลว ง, งพ่อก็ฉันแล้วนะท่านก็นั่งรอรออยู่หน้าพระตะขารพวกเราก็ไปทานข้าวบันเต็มออกมาถึงก็นั่งคุยกับหลวงพ่อเป็นไงครับแล้วนั่งท่านกระจิบน้ําชาไปทั้งบอกนี่เหรอเมืองสวรรค์หลวงพ่อว่าถ้าเอาพระละหันมาอยู่เจ็ดวันตายหมด <c oughs> คือมันมีแต่คือท่านเห็นแต่ไฟโทสะไฟราคะเต็มไปหมดเนีไงท่านบอกว่าพระละหันอยู่เจ็ดวันฝอตายหมด ไม่มีเหลือรับรองไม่มีเหลือสักองค์คืออยู่ไม่ได้อะแบบเนี้ยแต่ก็ทั้งไปนะครับไปเรื่อยก็ทำให้ได้เห็นมุมมองอะไรเยอะทีเดียวนะครับไปกับผู้ที่เห็นอย่างเนี้ยนิมนท์ท่านไปเจดีชเวดากองโอ้โหทองอลามคนเดินมองกันอูห้หูอื้ออเลยเดินวนกันใหญ่หลวงพ่อ ไม่เห็นทางพ้นทุกเลยทำอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเที่ยวนี้ไปสวนเซน ส, สวนเซนแต่เซนคงไม่เท่าไหร่ไปวัดเยอะลองไปเผื่อเราไปนั่งกินนั่งคุยกันในร้านอาหารญี่ปุ่นมีคุณน้อยไปด้วยสบายนั่งคุยกันในร้านอาหารญี่ปุ่นบ้าง พูดญี่ปุ่นได้ไหมครับไม่ได้เลยเปิดร้านอะาหารญี่ปุ่นมาตั้งนาน mm hmm. ตอนไปเซี่ยงไฮ้มีเรื่องแปลกๆอยูเ่เรื่องหนึ่งนะครับมีอยู่คืนหนึ่งเรานอนเมืองอะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เซี่ยงไฮ้ไ mm hmm. ตอนนั้นประมาณสักเที่ยงคืนวชิระปิดไฟหน่อย อเอาแล้วอย่างนี้ได้ที่แล้วตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็ตอนนั้นก็หลับแล้ ว, ลวหละทีนี้ก็เริ่มรู้สึกรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างพยายามจะ พุ่งเข้ามาอยู่ในร่างมันก็ดันเข้ามาเรื่อยๆดันเข้ามาเรื่อยๆตัวผมเนี่ยปูดไปข้างหลังเลยแล้วมันจะพยายามจะแทรกเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็เริ่มอึดอัดคือคนที่นอนข้างผมเนี่ยเขาได้ยินเสียงผมร้องเป็นภาษาจีนเขาก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไร <laughs> เากา <laughs> แ, แค่สงสัยว่าทำไมอาจารย์ประเสริฐคืนนี้ ละเมอเป็นภาษาจีนเขาก็าบอกว่าเ้าได้ยินเสียงผมพูดภาษาจีนให้ยอะไรเกิดสักอย่างเนี่ยแต่มันก็พยายามจะดันเข้าผมตอนนั้นผมเริ่มหลับอยู่เลยนะแต่มันเริ่มครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเพราะว่ามันกําลังอึดอัดมากมันเหมือนกับตัวจะทะลุพอความทุกข์มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ทํางานกันเองอ่ะนะผมก็หลบปั๊บ มันก็หลุดพ้นตัวผมไปจากนั้นผมเห็นเลยมันก็ถอยหลังออกไปพาบแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยพุ่งเข้าใส่เลยปังผมกระเด็นตกเตียงเลยตกเตียงเลยพุ่งเข้าชนเพื่อจะเข้าตอนนี้ผมเห็นเลยว่ามันโกรธมากที่มันเข้าไม่ได้หลจากนั้นมันก็พุ่งเข้ามาใส่อีกเพราะวินาศเราะจังหวะนั้นทั้งเจ็บทั้ง เวทนาก็เปิดเกิดขึ้นผมข้างในก็พูดขึ้นมาคำานึงว่าจิตดับผมก็ก็ดับปุ๊บมันก็ทะลุ ป, ปุ๊บหายไปเลยตอนนี้มันไม่เห็นล่ะผมก็เห็นแล้วมันไม่เห็นผมล้แล้วก็อยู่อย่างนั้นสักพักแล้วก็หายไปเช้ามาผมก็อยู่ในรถผมก็เล่าให้หลวงพ่อเอี้ยนฟัง เรื่องมันก็กระจายกันออกไปในหมู่พวกเราปุ๊บเหมือนไฟลามทุ่งเ่ยรู้กันหมดเลยแป๊บเดียวเนี่ยก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าโอ้โหหลวงพ่อผีจีดมันดุนะมันมันไม่ได้กระโดดมาในหนังกระดึ้งกระดึ้งนลยมันพุ่งปึ้งเข้าหาเลยนะไม่รู้โกรธแค้นกันมาจาชาติไหนเอาให้ได้เลยเสร็จแล้วอยู่ๆบอยเนี่ยวันนั้นเมื่อสองวันก่อนบอยก็มาพอดีถ้าใครเห็น บอยมาสองสาคนเป้จาเนี่ยบอยคนนะั้นไปด้วยไปทัวร์ด้วยไปด้วยกันบอยก็เดินเข้ามาแล้วก็มายกมือไหว้ขอโทษผมอาจารย์บอยขอโทษผมก็ถามว่าอะไรเหรอขอโทษเรื่องอะไร เ, ร, เรื่องเมื่อคืนนะอาจารย์ทำไมเอเพ่แปลว่าอะไรผมไม่เข้าใจที่ผีไปหาอาจารย์ ฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบอยอ่ะคืออย่างนี้ตอนหัวค่ำตอนบอยกนลังจะนอนเนี่ยบอยรู้สึกเหมือนกับมันมีผีอยู่ในห้องบอยก็เลยบอกว่าบอยเป็นคนบุญน้อยไปห้องถัดไปเถอะ เป็นห้องของอาจารย์ประเสริฐส่วนอีกห้องเนี่ยหลวงพ่อเอี้ยนบ่อยก็มีนึกว่าเขาจะตัดสินใจเรือกอาจารย์นึกว่าเขาจะไปหาหลวงพ่อแต่เขาคงหาหลวงพ่อไม่เจอเพราะหลวงพ่อสุญจะตา ผมก็บอกอ๋อเหลอ <laughs> <laughs> ผีจีนนี่ก็เชื่องท่ายเกินนีม <laughs> ไม่รู้บอ ย, ยพูดภาษาอะไร <laughs> มันตึงเข้าใจเ <laughs> มื่อวานเข้ามาก็ยังมานั่งคุยกันเลยบอก <laughs> คุยกันเรื่องนี้เ <laughs> ขาขำๆดีอ่ะนะ <laughs> แปลกดี <laughs> <laughs> บอยกป็คนบุญน้อย <laughs> จำไปใช้ก็ได้นะ <laughs> บนุญ้อ้ปัญญาเยอะรู้จักรู้หรกเป็นปีก <laughs> ครั้งหนึ่งที่ผมไปภาวนาที่ผาซ่อนแก้วเนี่ย ที่เราไ้ฟังว่าจุดเทียนที่บอกว่าออกจากนั่งสมาธิแล้วก็จุดเทียนความจริงมันมีเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่จะจุดเทียนตอนที่ผมออกจากสมาธิแล้วเนี่ยผมก็มองไปนอกมันเป็นระเบียงกุฏิที่อยู่ริมหนาา้าผาผมก็มองออกไปไกลๆมันมืดเนี่ยมืดเราก็ไม่เห็นแร้วว่าตรงนู้น ม, มันมีอะไระก็คิดว่าเป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยเพราะมันมืดตึ๊ดตือเลยไม่เห็นอะไรเลย สักพักผมก็เห็นแสงไฟใจผมตอนนั้นก็แค่คิดว่าอ้อตรงนั้นสงสัยเป็นภูเขาแล้วคงมีถนนนั่นคงเป็นไฟรถที่เขาวิ่งกันใจก็คิดแค่นั้นก็มองออกไปเล่บเปื่อยเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งออกจากสมาธิก็ดูออกไปรอบๆมืดเอ๊ไฟรถทำไมไม่ขยับเลยเนาะอยู่กับที่ แล้วก็เริ่มเห็นแกว่งไปแกว่งมาผมว่าลักษณะไม่ใช่ไฟรถล่ะสงสัยคนเดินป่าแล้วฉายไฟมากกว่าแต่ผมก็นึกในใจว่าโอ้ไฟมันคงสว่างมากเลยไฟฉายนะเพราะเห็นชัดมาถึงตรงนี้เลยก็นั่งดูไปเรื่อยเรื่อยสักพักไม่ใช่ไฟฉายแล้วมั้งเพราะเริ่มลอยออกมา คือเริ่มลอยออกมาเข้ามาใกล้ผมเข้ามาเรื่อยๆทีนี้รู้แล้วไม่ใช่ไฟฉายละเพราะว่าข้างในเนี่ยเขียวเป็นมรกตแล้วก็มีขอบรอ บ, รบสว่างเจด จ, จระจ้าเลยถ้าถามว่าจ้าขนาดไหนผมว่าแสงในโลกไม่มีอะไรจ้าเท่านี้ถ้าจะให้ผมนึกก็นึกได้แค่แสงจากไฟหน้าเครื่องบินแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไฟหน้าเครื่องบินแรงแค่ไหนเดี๋ยวต้องถามกับตันดูก่อน แต่ผมนึกอะไรไม่ออกว่าไฟอะไรจะสว่างมากขนาดนั้นเท่านั้นเองข้างในเป็นเสียวเขียวปั๊ดเลยนะเขียวแบบมรกตเลยแล้วก็สว่างมากแล้วก็มีไฟเป็นประกายอยู่ข้างรอบแล้วก็ลอยไปลอยมาลูกขนาดพระอาทิติลูกขนาดพระอาทิติ ท, ที่เราเห็นแบบลูกใหญ่ๆนะลอยไปลอยมาผมก็โอ้ทีแรกก็จะหยิบกล้องโทรศัพท์ถ่ายแต่ ถ้าถ่ายมาคงเป็นจุดๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็นั่งดูไปเรื่อยๆประมาณสักสิบนาทีได้สิบสิบห้านาทีแล้วลอยอยู่นานเลยลอยไปลอยมาสักพักก็ค่อยๆค่อยๆจะกลับไปที่ภูเขาแต่ก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวอีกอันก็ออกมาเท่าดวงจันทร์วันนี้แล้วก็ออกมาแต่เสียงแสงนวลกว่ายเยอะเลยคือรู้เลยว่า ต่างชั้นกันลอยลอยลอยอันนี้ลอยอยู่ประมาณห้านาทีลอยไปลอยมาแล้วก็บางช่วงก็สีเขียวก็ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็ลอยอยู่ด้วยสักพักก็ค่อยๆหายกันเข้าไปในภูเขาหมดเลยผมไม่รู้ทีหลังว่า นี่คือที่มาของคำว่าผาซอนแก้วเพราะมีเนี่ยลูกไฟแก้วเซึ่งก็เคยได้ยินจากที่วัดว่าเวลาวันวิสาขาหรืออะไรเนี่ยก็จะมีขณะที่เวียนเทียนก็จะออกมาออกมาลอยอยู่แล้วก็มารู้ทีหลังอีกจากครูบาอาจารย์ว่าที่นั่นมีพระสกิทาคามี ที่บำเพ็ญบารมีอยู่ตอนนี้หมื่นหกพันปีล้วก็วันนี้เราก็ศึกษามาแล้วพระสกีทาคามีก็บรรลุธรรมในเทวโลกแล้วก็นิพพานไปเลยแสดงว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ระหว่างบำเพญ็ญเพียรแล้วก็สาวกของท่านที่ปฏิบัติภาวนาร่วมกันมาก็อยู่ด้วยกันกำลังบำเพ็ญเพียรกันอยู่ <uld y> <c oughs> ก็โอ้ก็สาธุไปกับท่านนะ มาให้ปรากฏให้เห็นบ้างนะครผมก็ถามสุภกิจอะไรเข้าไปก็ถามกิจเห็นไหมบอกไม่เห็นเลยก็เพิ่งรู้จากคนที่วัดว่าก็อ๋อเ็เห็นเฉพาะคนมีบุญอพูดไม่หรอกสุภกิจก็บุญเ้าเยอะ ทีนี้เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ไปกราบลงปู่แบรนท่านก็บอกบอกว่าโลกนี้ว่างอยู่แล้วดินน้ำไฟลมมาประกอบกันที่ไม่ว่างอะจิตไปทำจิตให้ว่างท่านพูดแค่นี้ผมก็ไม่นึกว่า ผมจะมีโอกาสได้พบท่านอีกครั้งหนึ่งที่สวนยินดีธรรมเป็นการบังเอิญละกันเพราะว่าหนึ่งคือพวกเราก็ไม่ได้รู้จักท่านเลยแต่มีการติดต่อมาจากลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งที่สุราษฎร์ว่าท่านจะลงมาช่วยตอนนั้นสุราษฎร์น้ำท่วม ว่าหลวงปู่จะลงมาช่วยคนสุราษฎร์กำลังหาที่พักให้กับหลวงปู่และคณะสงฆ์รวมถึงผู้ติดตามซึ่งดูไปแล้วก็ขอใช้สถานที่ของสวนยินดีธรมเพราะดูแลจะเหมาะพวกเราก็รับทันทีนะก็แน่นอนละหนึ่งก็หลวงปู่สองจะใครก็ตาม า้ามาก็ต้องต้องรับอยู่แล้วแล้วยิ่งมาช่วยคนด้วยพอถึงวันที่หลวงปู่มาเนี่ยขบวนของท่านก็มาเยอะเหมือนกันนะครับรถของท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็าอีกสิบสี่คันวิ่งตามกันจะลงมาจากกรุงเทพรวมถึงยี่อ่าสี่สิบฟุตคอนเทนเนอร์อีกสองคอนไวอ์สองคัน วิ่งตามลงมาด้วยซึ่งใน400ฟุตคอนเทนเนอร์เนี่ยมีเข้าสารอยู่10ตันพร้อมทั้งอีกเทนเลอร์หนึ่งมีมุ้งอีก 1,000 ชุดหรือ 10,000 ชุดผมจำไม่ได้ที่นอนหมอนมุ้ง 1,000 ชุดขนลงมาแบบวิ่งกันลงมาเป็นขบวนมีตำรวจนำลงมาเลยเข้ามาที่สวนยินดทีทา ก็ได้กราบแล้วก็สนทนาธรรมกับท่า น, นท่านก็มากับคณะเยอะโอ้คนมาต้อนรับท่านเยอะแยะจนกระทั่งผมมีธุระที่จะต้องขึ้นมาเปิดคอสที่กรุงเทพจึงทำให้ดูแลท่านได้แค่คืนเดียวท่านมาพัก2หรือ3คืนก่อนที่ท่านจะฉันผมก็เล่าเรื่องที่ผมเคยได้พบท่าน เมื่อหลายปีก่อนให้ฟังแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าท่านบอกผมว่ายังไงแต่วันนี้ท่านพูดกับผมว่าคนข้างบ้านไม่ต้องไปสนใจหรอกคนข้างบ้านมันจะนิสัยยังไงก็เรื่องของคนข้างบ้าน ถ้าเราไปมัวดูคนข้างบ้านรู้จักคนข้างบ้านแล้วก็ทุกข์เปล่ามันจะนิสัยยังไงก็ช่างมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันผมก็โค้มลงกราบท่านผมก็บอกว่าผมขอกราบคารวะผู้ที่จิตหลุดพ้นแล้ว มุย้ยก็อยู่ตรงนั้นหมูก็อยู่ตรงนั้นใครก็อยู่ตรงนั้นรู้ไม่ว่าท่านพูดอะไรคงไม่ได้ไปมองคนข้างบ้านหรอกปุ๊กนั่งนี้คนข้างบ้านถ้าไปดูไปรู้คนข้างบ้าน ก็ทุก iggly. ไม่ต้องไปสนใจขนข้างบ้านแค่นี้ก็ ส, ส, สุญญตาแล้วแค่นี้เขาคุยกันแค่นี้ท่านเวลาท่านจะสั่งสอน แค่นี้แล้วผมก็บอกว่าหลวงปู่ครับผมเป็นคนวาสนาน้อยมีโอกาสได้ดูแลหลวงปู่แค่คืนเดียวเองหลวงปู่ก็เลยพูดต่อว่าหลวงปู่สิวาสนาน้อยมีโอกาสที่จะอยู่กับคุณแค่คืนเดียว ขอบคุณมากนะที่ดูแลหลวงปู่อย่างดีแล้วที่บอกว่าวาสนาน้อ ย, ยบุญที่ทำไว้ไม่มีที่จะเก็บแล้วนะอนุโมทนาด้วยไปทำหน้าที่เถอะผมไม่เคยบอกท่านเลยว่าผมทำอะไรเลยครั้งหนึ่งผมไปปรีกวิเวกอยู่ที่ พังงานขณะที่ผมกําลังผมก็ไปนั่งคุยกับเจ้าวาดวัดนั้นเพราะท่านเคยแวะมาเยี่ยมสวนยินดีธรรมก็ไปกางเต้นอยู่บนที่เขากาลังก่อสร้างไม่รู้จะการตรงไหนที่ดี้วันรุ่งขึ้นก่อนจะกลับขณะที่ผมก็นั่งอยู่ที่ศาลาก็มีพระฉันกันอยู่ แต่ผมก็สังเกตเห็นพระองค์หนึ่งที่เมื่อวานผมไม่เห็นไม่ทันเห็นเพิ่งเห็นตอนเช้าพอท่านชันเสร็จท่านเดินอย่างนี้พอผมเห็นท่านเดินปุ๊บผมรู้เลยเป็นพระป่าสายลงปุ่มมันเพราะฉะนั้นที่เราเดินเดินกันเนี่ยท่านเรียกย่อง เพราะพระป่าไม่มีเดินแบบนี้มีแต่เดินแบบนี้ท่านถือบาดแล้วท่านก็เดินอย่างนี้นแล้วก็ไปล้างบาทจัด ก, กวนเรียบร้อยเลย <c oughs> เสร็จแล้วสักพักเจ้าวาดก็บอกผมว่าพระรูปนี้จะกลับขอติดรถยมไปด้วยได้ไหมได้นิมนต์เลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้สนทนากับท่านพักหนึ่ง ผมก็ถามว่าท่านมาจากจังหวัดอะไรครับวัดอะไรท่านบอกว่าท่านไม่มีวัดท่านอยู่ในป่าตลอดผมก็อ้อผมมีซีดีของหลวงปู่ล่าอของมุ้ยไปต่อแล้วนะ <c oughs> ผมก็เลยก๊อปปี้ซีดีหลวงปู่ล่าถวายท่านไปผมก็บอกว่าพระองค์นี้ ผมว่าท่านจบ ก, กิจจบหน้าที่แล้วท่านก็อืมหลวงปูล่ลารู้จักแล้วท่านก็ขอบคุณคุยไปคุยไปผมก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ท่านก็ถามผมว่าอยู่ที่ไหนผมบอกสวนยินดีทำแล้วก็เมื่อไม่มีเมื่อไ ม, ม่กี่วันก่อนหลวงปู่แบรนแวะเข้ามาพักแล้วก็อะไรอย่างนี้เล่าใท่านังท่านหันมามองหน้าแล้วท่านอบอกว่า รู้จักกระหลกปู่แบน์เหรอผมบอกเปล่าครับโยมโชคดีมากนะที่ได้ดูแลพระอาราันผมก็เหลยเงีย บ, ยบแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกันไปแต่ต่างคนต่างนั่งไม่พูดกันเลยผมก็พาท่านไปที่นั่นที่นี่เพื่อจะดูอะไรก่อนกลับ เวลามันเหลือแต่กระเตมรู้สึกแล้วเพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติท่านก็เลยพอเห็นผมไม่ค่อยพูดละท่านก็เลยไม่พูดละก็อยู่กันสนทา น, านากันด้วยความเงียบไปก็ค่อยถวายเงินแล้วก็ท่านก็ไปทุดดงของท่านต่อ นั่งสมาธิครับจะรออะไร